สรุปถาม น, นะนะพระสารีบุตรนิเทศว่าเพราะเหตุไรคําว่าคือเพราะเหตุไรพวกสมณพราหมณ์จึงกล่าวสัจจะต่างๆกันความว่าเพราะเหตุไรคือเพราะกัาณ์เหตุปัจจัยนิทานอะไรพวกสมณพราหมณ์จึงกล่าวสัจจะต่างๆกันคือกล่าวสัจจะหลายอย่างกล่าวคําอื่นๆกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงมากอย่างนะทุกคนไม่เห็นพูดเหมือนกันเลยแล้วก็ เป็นผู้อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดกล่าวยืนยันสัจจะหลายอย่างนะทุกคนก็พร่ำกันมากนะพร่ำลทัทธิของตนนะชื่อว่ากล่าวยืนยันบ้างอีกอย่างหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวยืนยันคือพูดบอกแสดงแถลงซึ่งทิฐิของตนว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าฝ่ายหนึ่งบอกโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยนะก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แหละตั้งสิบลทัทธิเนี่ยนะ ว่าทุกคนก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดกล่าวคือตนเนี่ยเป็นบัณฑิตตนเป็นทีรชนตนเป็นผู้มีญาณต น, นเนี่ยพูดโดยเหตุนเนี่ยนะกล่าวว่าต น, นเนี่ยพูดโดยลักษณะกล่าวว่าตนเนี่ยพูดโดยกรณนะกล่าวว่าตนเนี่ยพูดโดยลัทธิของตนเพราะฉะนั้นจึงจะว่าเป็นผู้อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วก็กล่าวยืนยันคําว่าสัจจะที่สมณะพราหมณ์ฟังมาแล้วเป็นสัจจะมากอย่างต่างๆกันความว่า สัจจะที่พวกสมณนะพราหมณ์ฟังมาแล้วอ่ะเป็นสัจจะมากอย่างต่างๆล่าอย่างคืออื่นๆเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าสัจจะที่พวกสมณะพราหมณ์ฟังมาแล้วเนี่ยเป็นสัจจะล่าอย่างต่างๆกันแต่ละคนก็ฟังมาคนละอย่างคนละอย่างจะไปอย่างเดียวกันได้ยังไงไม่รู้กี่อาจารย์มาแล้วเนี่ยนะเข้ารัฐที่ไม่รู้กี่สิบ <Dun> ร <TO> <zone S 2> ัฐ <pues> ที <S <s <ugs>. <S ่มาเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพูดไม่เหมือนกันเนี่ยนะพราะเจ้าศาสดาที่ตั้งตนเป็นรัฐที่บอกสอนเรื่องสัจจะเนี่ย มากเหลือเกินเนี่ยนะเพราะทุกคนนี้ก็ถือว่าความจริงอยู่ที่สำนักของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกนักศึกษาทั้งหลายก็โอ้ยยึดถือทิฏฐินั้ก็ทะเลาะกันเนี่ยนะคำว่าหรือสมณะพราหมณ์เหล่านั้นอะระลึกตรึกเอาเองอนะก่อนเนี่ยบอกเขาไปร่ําเรียนมาจากเจ้าลัที่ต่างๆใช่ไหมเขาจึงมีทิฏฐิต่างๆกันหรือว่าเขาเดาเอาเองเขาตรึกเอาเอง ความว่าก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมดําเนินไปคือเลื่อนไปเคลื่อนไปเป็นไปด้วยความตรึกด้วยความตรองด้วยความดำริแม้ด้วยเหตุดังนี้ชื่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมตรึกระลึกเอาเองอีกอย่างหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งสัจจะที่ตนรวบรวมมาด้วยความตรึกะนะคือตรึกด้วยกาวมวิตกเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เกิดทิฏฐิขึ้นนะก็ตนเนี่ยคิดด้วยความพิจารณาที่ตนรู้ด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมระลึกตรึกเอาเองตรึกด้วยอํานาจกามวิตกเนี่ยนะนะไม่ใช่ตรึกด้วยสัมมาสังกปะแต่ตรึกด้วยอํานาจของกามวิตกด้วยอํานาจอากุศลวิตกเมื่อระลึกตรึกด้วยอกุศลวิตกซึ่งเอ่ออากุศลวิตกเป็นปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิเนี่ยนะพอมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นก็อากุศลวิตกก็ตรึกไปตามมิจฉาทิฐิทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าสัจจะมากอย่างต่างๆกันไม่ได้มีรอก ที่เขาบอกว่าเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์จึงกล่าวสัจจะต่างๆพง์ก็บอกว่าสัจจะต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเลยเว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกสมณพราหมณ์ดำริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลายแลว้วได้กล่าวธรรมะเป็นสองอย่างว่าคําของเราจริงคําของท่านเทศอธิบายว่าสัจจะมากอย่างต่างๆกันไม่ได้มีเลยเนี่ยนะก็สัจจะต่างๆกันในโลก ตัวสัจจะจริงๆเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยไม่มีหรอกเพรันสัจจะ เ, เว้นแต่สัจจะที่แน่นอนด้วยสัญญาในโลกสักจจะที่แน่นอนเนี่ยคืออะไรความว่าเว้นจากสักจจะที่ยึดถือว่าเที่ยงด้วยสัญญ า, า น, น, นี่ยนะคือไอไอไสัจจะที่จริงจากความเข้าใจจากคาดเดาเอาอะเนี่ยอันนั้นอะแต่ตัวจริงๆสัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้น กล่าวว่าสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นที่บัณฑิตกล่าวพูดแสดงถแถลงในโลกได้แก่ทุกขนิโรธคือนิพพานนี่อนะทุกขนิโรธแต่ถ้าว่าโดยอริยศาสตร์ 4, นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกขนิโรธกับนิพพานก็คือความสงบสังขารทั้งปวงความสลละคืนอุปธิทั้งปวงอุปธิก็คือกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเนี่ยนะเพราะนิพพานคือที่สลัดออกจากกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏ ความสิ้นตันหาความสำรอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดอีกอย่างหนึ่งมัคคสัจจะเนี่ยนะที่เป็นนิยานสัจจะคือสัจจะที่นำออกจากทุกได้แก่ทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาได้แก่อริยมัคมีองแปดเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยเรียกว่าสัจจะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเว้นแต่สัจจะ เนี่ยคือสัจจะอย่างเดียวเนี่ยนะไอ้ที่เหลือมันเป็นมิจฉาทิฐิเป็นสัจจะที่เกิดจากสัญญาเกิดจากความเข้าใจเกิดจากไปฟังลัทธิมาเกิดจากตรึกเอาเองคําว่าก็พวกสมณพราหมณ์ดำริตรึกเอาในทิฏฐิทั้งหลายแล้วได้กล่าวธรรมะเป็นสองอย่างก็คือคําของเราจริงคําของท่านเทศเนี่ยนะว่าสมณพราหมณ์ตรึกตรองดำริแล้วก็ยังทิฏฐิทั้งหลายให้เกิดขึ้นนะนะคือคือ คำว่าตรึกในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนคขมมะสังกะปะนะแต่ตรึกด้วยอำนาจอากูศลวิตกเนี่ยนะที่ที่ความตรึกที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิ้นนในความตรึกอันนั้นให้เกิดให้บังเกิดเฉพาะครั้นได้กล่าวบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่าคำของเราจริงคำของท่านเท็จเพราะฉะนั้นก็พูดเป็นสองอย่างนะแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันเจ้าทิฐิ อาศัยธรรมะเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลรสหรืออารมณ์ที่ทราบเป็นผู้แสดงอารมณ์นะนะก็คืออาศัยสีเสียงกลิ่นรสอาศัยศีลวัดเนี่ยนะอาศัยศีลอาศัยข้อปฏิบัติที่ตัวเองนี่แหละทำให้มีทิฏฐิแตกต่างกันนะแล้วก็เป็นผู้แสดงอารมณ์ดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะแสดงอารมณ์ดูหมิ่นผู้อื่นตั้งอยู่ในทิฏฐิเป็นที่วินิจฉัยคือวินิจฉัยแล้วก็ถือทิฏฐิเนี่ยนะร่าเริงกล่าวว่า คนอื่นเป็นผ่านไม่ฉลาดแบกหามยึดถือปกปักรักษาทิฏฐินนะก็ตําหนิคนอื่นอนธิบายว่าเจ้าทิฐิอาศัยธรรมะเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลพรดหรืออารมณ์ที่ทราบเป็นผู้แสดงความดูหมิ่นผู้อื่นความว่าเจ้าทิฏฐิอาศายัยคือเข้าไปอาศัยถือยึดมั่นถือมั่นซึ่งรูปที่เห็น น, นะหมดถือว่าหมดจดเพราะรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน ความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินด้วยศีลความหมดจดเพราะศีลวัดความหมดจดเพราะวัดอารมณ์ที่ทราบความหมดจดเพราะอารมณ์ที่ทราบคิดว่าเนี่ยมองเห็นหูได้ยินจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับผกระทบโพธาภะใจนึกคิดหรือว่ารักษาศีลประพฤติวัดแบบเนี้จะทําให้บริสุทธิ์ได้คําว่าอาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นผู้แสดงความดูหมิ่นผู้อื่นก็เนี่ยอาศัยการเห็นก็ดูหมิ่นว่าใครไม่ได้เห็นเหมือนตอนก็เลวใช่ไหม อาศัยการได้ยินเนี่ยใครไม่ได้ยินเหมือนตนก็ไม่ดีอะ่ะอาศัยศีลเนี่ยอาศัยความประพฤติป ฏ, ป, ฏฏ ป, ฏปฏิบัติแบบรับที่ของตัวเองอะนะใครที่ปฏิบัติไม่เหมือนลับที่ของตัวเองก็ไม่ใช่เพรปฏิเสธเพราะฉะนั้นคําว่าอาศัยธรรมะนี้เป็นผู้แสดงความดูหมิน่นผู้อื่นความว่าเจ้ารับทิทิธินั้นนะ่ะนะไม่นับถือแม้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงความดูหมิน่นจำนวนนะถ้าไม่นับถืออะไรแสดงว่าเขาดูหมิ่นสิ่งนั้นอันนี้เป็นวิธีคิดในหนึ่งนะ ถ้าเขาไม่ชอบสิ่งใดแสดงว่าเขาดูหมิ่นผู้นั้นเขาไม่นับถือสิ่งใดแสดงว่าเขาหมิ่นสิ่งนั้นนี่นะอีกอย่างหนึ่งยังโทมนัสให้เกิดแม้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงความดูหมิน่นฟังแล้วไม่พอใจเลยนะไอความไม่พอใจกับสิ่งใดแสดงว่าดูหมิ่นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจ้าทิฏฐิอาศัยธรรมะเหล่านี้คือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลพระหรืออารมณ์ที่ทราบเป็นผู้แสดงความดูหมิ่น อาศัยรัดที i, ่อาศัยข้อปฏิบัติของตัวเองก็ดูหมิ่นลัดที่ข้อปฏิบัติของผู้อื่นคําว่าตั้งอยู่ในทิฐ ouais. Además, ิเป็นที่วินิจฉัยแล้วก็ร่าเริงความว่าทิฏฐิหกสเรียกว่าวินิจฉัยเจ้าทิฐิตั้งอยู่ตั้งมั่นยึดมั่นถือมั่นในทิฐิที่วินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในทิฐิเป็นที่วินิจฉัยแล้วก็ร่าเริงก็คือยินดีหัวเราะร่าเริงชอบใจที่มีความดำดิบบริบูรณ์ อีกอย่างหนึ่งหัวเราะจนฟันปรากฏฉะนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในทิฏฐิ62เนี่ยนะก็ร่าเริงนะก็ตัวเองก็อุ่นใจนะว่าไอ้ทิฏฐิของตัวเนี่ยจะทําให้ตัวเนี่ยพ้นทุกข์ได้ใช่เพทุกคนก็จะถือว่าไอ้ลับทิฏฐิหรือข้อปฏิบัติของตัวเนี่ยแหละจะทําให้ตัวบรรลุจะทําให้ตัวบริสุทธิ์ได้เจ้าทิฏฐิเห็นบุคคลอื่นว่าเป็นพานด้วยเหตุใด และก็กล่าวถึงตนว่าเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นถ้าดูหมิ่นคนอื่นมาโ ง, ง่ในเรื่องใดแสดงว่าตัวเองฉลาดในเรื่องนั้นนะนะ <Okay. S 1> เหมือนถ้าคนถ้าเราถือว่าคนอื่นเดินทางผิดแสดงว่าเรา <Okay. S 1> เดินทางถู ก, ก น, นะเออมันเป็นอย่างไรถ้าคนอื่นโ ง, ง, ง, ง่เราก็ฉลาดอะ่ะพระเจ้าทิฏฐิเหล่านั้นก็อวดอ้างตนว่าเป็นคนฉลาดด้วยตนเองย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นนะและก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันนะก็ ก็พูดยังไงก็พูดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดคนอื่นนี่มันมันโง่มันไม่ฉลาดคําว่าเจ้าทิฐิเห็นบุคคลอื่นว่าเป็นพานด้วยเหตุใดคือเจ้าทิฐิเห็นมองดูแลดูเพ่งพินิจพิจารณาซึ่งบุคคลอื่นโดยความเป็นพานเลวซามต่ําชาสกปรกต่ำต้อยด้วยเหตุใดคือด้วยปัจจัยกัณะเหตุเป็นแดนเกิดฉะนั้นจึงเชื่อว่าเจ้าทิฐิเห็นบุคคลอื่นว่าเป็นพานด้วยเหตุใด และก็กล่าวถึงตนว่าเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นความว่าตนเรียกว่าอาตมาอาตมาก็คือตนนั่นแหละเจ้าที่ถิแม้นั้นก็กล่าวถึงอาตมาคือตนว่าเราเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเป็นเครื่องทําลายกิเลสด้วยเหตุนั้นคือด้วยปัจจัยกรณะเหตุเป็นแดนเกิดนั้นฉะนั้นจึงชื่อว่ากล่าวตนด้วยความเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นนะคนอื่นโง่เพราะเหตุใดฉันก็ฉลาดเพราะเหตุนั้นนั่นแหละ คำว่าเจ้าที่ถินั้นอวดอ้างตนว่าตนเนี่ยฉลาดด้วยตนเองความว่าเจ้าที่ถินั้นก็อวดอ้างว่าตนเนี่ยฉลาดด้วยตนเองคืออวดอ้างว่าตนเนี่ยเป็นบัณฑิตอวดอ้างตนว่าเป็นทีรชนอวดอ้างตนว่าเป็นผู้มีญาณอวดอ้างตนว่าพูดโดยฐานะโดยลัทธิของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าเจ้าที่ถิ่นั้นอวดอ้างว่าตนเนี่ยฉลาดด้วยตนเองนะม่ คำว่าย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและพูดเช่นนั้นเหมือนการความว่าเพราะไม่นับถือจึงชื่อว่าย่อมดูหมิ่นการไม่นับถือแสดงว่าเขาหมินหน่นนะงั้นอีกอย่างหนึ่งยังโทรมานัานให้เกิดชื่อว่าย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่นและคำว่าพูดเช่นนั้นเหมือนกันความว่าย่อมพูดถึงทิฏฐินั้นว่าแม้ด้วยเหตุดังนี้บุคคลนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตฉะนั้นจึงชื่อว่าย่อมดูหมิ่นบุคคลอื่น และพูดเช่นนั้นเหมือนกันเยนะคือถ้าไม่ชอบก็จะพูดบ่อยสิ่งในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใช่หถ้าเห็นว่าคิดว่าคนอื่นโง่ก็พูดบ่อยๆว่าคนอื่นโง่เนี่ยนะถ้าเห็นว่าคิดว่าตัวเองฉลาดก็พูดถึงบ่อยๆว่าตัวเองนี้ฉลาดเจ้าทิฐินั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอติสาระทิฐิคือทิฐิหิเนี่ยนะเป็นทิฏฐิที่ล่วงเกินแก่นสารเนี่ยเป็นทิฐิที่ไม่มีแก่นสารเนี่ย เป็นผู้เมาด้วยความถือตัวเต็มรอบพอมีทิฐิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นก็มานะเนี่ยนะมานะก็เต็มรอบอภิเสกตนเองด้วยใจยกย่องตัวเองด้วยจิตของตนนั่นแหละเพราะทิฐิของเจ้าทิฐินั้นบริบูรณ์อย่างนั้นพอทิฐิมากขึ้นมากขึ้นมานะกล้ามานะกล้าก็อภิเสกตัวเองโอ้ฉันเนี่ยแหละถึงยอดแล้วนะนะ่ คำว่าเจ้าทิฐินั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอติสาระทิฐิอติสาระทิฐิก็คือทิฏฐิหเรียกว่าอติอติสาระทิฐิถามว่าพ่อเหไรทิฏฐิหกสิบประการจึงเรียกว่าอติสาระทิฐิก็คือทิฐิทั้งปวงนั้นล่วงเหตุล่วงลักษณะถึงความเป็นของต่าช้าเพราะฉะนั้นทิฐิ62ประการจึงชื่อว่าอติสาระทิฐิเดรยถีแม้ทั้งหมดเป็นผู้มีอติสาระทิฐิ เพราะเหตุไรเดียร์ีทั้งหมดจึงชื่อว่าเป็นผู้มีอติสาระทิฐิก็เพราะว่าเดียร์ีเหล่านั้นล่วงก้าวล่วงล่วงเลยกันและการยังทิฏฐิทั้งหลายให้เกิดขึ้นให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นเดียร์ธีเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีอติสาระทิฐิคําว่าทิฐินั้นเป็นผู้บริบูรณ์ความว่าเป็นผู้บริบูรณ์เต็มรอบไม่บกพร่องด้วยอติสาระทิฐิก็คือเจ้าละที่นั่นนะก็ บริบูรณ์ด้วยมิจฉาทิฏฐิของตนของตนเนี่ยนะถือทิฐิของตัวเองจนเต็มรอบคำว่าเป็นผู้เมาด้วยความถือตัวมีความถือตัวเต็มรอบนะพอมีทิฐิมากขึ้นมากขึ้นถือว่าตัวเองเนี่ยจบกระบวนวิชาอันนั้นอนะ่ะที่เหลือก็ได้อะไรก็มานะนยะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นผู้เมาเมาทั่วเมาขึ้นเมายิ่งเมาด้วยความถือตัวเพราะทิฐิอของตนนะนะ ยึดถือที่ที่มากกว่าเมามากอ่ะนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เมาด้วยความถือตัวคำว่ามีความถือตัวเต็มรอบความว่ามีความถือตัวเต็มรอบมีความถือตัวบริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องอ่ะนะเรียกว่ามานะทุกข์เบียดนิ้วอย่างนั้นเนี่นะนะถือตัวมั่นใจมากอ่ะนะ ม, มั่นใจจ ร, จรนะิงๆกันนะใครเรียกสมนวนมั่นยมั่นใจจนขนาดเรียกว่าพยองอ่ะนะ แล้วก็อภิเษกตนเองด้วยใจก็อภิเสกตนเองด้วยจิตว่าเราเนี่ยเป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นบัณฑิตเราเนี่ยมีปัญญาเรามีความรู้มียานแจมมีปัญญาแจมแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสอย่างนี้แหละเ้าเรียกว่าอภิเสกตนเองด้วยใจที่เขาอภิกล้าอภิเสกตนเองด้วยใจเพราะอะไรเพราะว่าทิฐิของเจ้าทิฐินั้นบริบูรณ์อย่างนั้นคือทิฐิของเจ้าทิฏฐินั้นบริบูรณ์อย่างนั้นเป็นทิฐิอันเจ้าทิฏฐินั้นสมาทาน ถือถือมั่นยึดมั่นน้อมจใจไปแล้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจ้าทิฐิเหล่านั้นอะบริบูรณ์อย่างนั้นเนี่ยนะก็เหมือนต่อไปนะว่าก็ถ้าบุคคลเป็นผู้เลวเพราะคําของผู้อื่นไซ่บุคคลนั้นย่อมเป็นคนมีเป็นผู้มีปัญญาซามเพราะคนอื่นด้วย อีกอย่างหนึ่งถ้าบุคคลเป็นเวทคูเป็นทีรชนเองไซใครใครในบรรดาสมณะพราหมณ์ย่อมไม่เป็นคนพาลนะอันนี้สําคัญนะคือถ้าหากว่าจะเลวเพราะคําของคนอื่นนะก็แสดงว่ามีปัญญาเพราะคําของคนอื่นเหมือนกันจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมโง่เพราะคําของคนอื่นหรือว่าฉลาดเพราะคําของคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเอางี้นะคนจะดีเพราะคําของคนอื่นยกว่าดีใช่ไหมไม่ใช่ เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราไปประนามใครว่าคนเลวอะ่ะจริ ง, รงๆเขาเลวไหมไม่แน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคนเป็นคนเลวเพราะคําของคนอื่นก็แสดงว่าเป็นเป็นผู้มีปัญญาสามบุคคล น, นั้นย่อมเป็นผู้มีปัญญาสามพร้อมด้วยคนอื่นถามว่าทําไมเพราะมีใครชมเราบ้างหอืสมมุติถ้าเราเนี่ยเราว่าใครเป็นคนเลวนะ เราก็เลวเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ชมเราเหมือนกันเนี่ยนะมันก็แสดงว่าเออเราไปไปชมใครว่าดีหรือไปชมใครว่าเลวเขาไม่ได้เลวไม่ได้ดีตามคําที่เราชมหรอกถ้าหากว่าเราเนี่ยเอถ้าหากว่าเขาเลวเพราะคําที่เราว่าเลวเราอาจจะเลวด้วยเพราะคนอื่นเขาก็ว่าเราเลวเหมือนกันเนี่ยนะถ้าว่าเพราะตามคําคนอื่นนะถ้าเอาคาคนอื่นเป็นเกณฑ์ะน